1. จีวรวัตรจีวรปฏิคหนะสิกขาบทว่าด้วยการรับจีวรเรื่องภิกษุณีอุบลวันนาห0 8สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยูนะ่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครืครั้งนั้น ภิกษุณีอุบลว น, นาพักอยู่ณกรุงสาวัตถีเวลาเช้าภิกษุณีอุบลวรร น, นาครองอันเทรวาศกเถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาทหลังจากฉันเสร็จแล้วเข้าไปยังป่าอันทวันเพื่อพักผ่อนกลางวันนั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่งสมัยนั้นพวกโจรขโมยแม่โคมาฆ่า แล้วถือเอาเนื้อเข้าป่าอันทวันหัวหน้าโจรมองเห็นภิกษุณีอุบลวันนานั่งพักกลางวันครั้นเห็นแล้วจึงคิดว่าหากพวกลูกน้องเราพบเข้าจะประทุษร้ายนางจึงเลี่ยงเดินไปทางอื่นเมื่อปิ้งเนื้อสุกหัวหน้าโจรเลือกเนื้อดีๆเอาใบไม้ห่อแขวนไว้ที่ต้นไม้ใกล้ภิกษุณีแล้วกล่าวว่าเนื้อห่อนี้เราให้แล้วสานะหรือพรามณ์เห็นแล้วจงถือเอาไปเถิด ภิกษุณีออกจากสมาธิได้ยินคำที่หัวหน้าโจรพูดจึงถือเอาเนื้อไปที่พักครั้นราตรีผ่านไปนางจัดเนื้อชิ้นนั้นให้เรียบร้อยแล้วใช้อุตราสงห่อห่อไปยังพระเวรุวันวิหารเช้าวันนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเหลือท่านพระอุทายีอยู่เฝ้าพระวิหารภิกษุณีอุบลวานณาเข้าไปหาแล้วถามว่า ท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคพทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนท่านพระอุทายตอบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จไปบินทบาทในหมู่บ้านภิกษุณีกล่าวว่าโปรดถวายเนื้อชิ้นนี้แด่พระผู้มีพระภาคท่านพระอุทายกล่าวว่าน้องหญิงพระผู้มีพระภาคจะทรงอิ่มหนำด้วยเนื้อที่ถวายถ้าเธอถวายอันระวาโกแก่ตมา อาตมาก็จะอิ่มหนำด้วยอันตรวาสศกเช่นกันภิกุณีกล่าวว่าพระคุณเจ้าความจริงดิฉันเป็นมาตัวคมหาลาบได้ยากทั้งผ้าผืนนี้ก็เป็นจีวรผืนสุดท้ายที่จะครบห้าผืนดิฉันถวายไม่ได้ท่านพระอุทัยยีกล่าวว่าน้องหญิงเปรียบเหมือนบุรุษให้ช้างแล้วควรสละสับคับสาหรับช้างด้วย เธอก็เหมือนกันถวายชิ้นเนื้อแด่พระผู้มีพระภาคแล้วก็จงสละอันตรวาศกแก่ตมาเถิดครั้นถูกท่านพระอุทายีพูดเร้าเรานางจึงถวายอันตรวาศกแล้วกลับที่พักพวกภิกษุณีผู้คอยรับบาตรและจีวรถามนางว่าอันตรวาศกของคุณแม่อยู่ที่ไหนนางจึงบอกเรื่องนั้นให้ทราบภิกษุณีทั้งหลายจึงตำหนีประนามพลธนาว่า ฉไนท่านพระอุทาจีจึงรับจีวรจากมือภิกษุณีเล่ามาตุคามีราบน้อยและบอกเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโพลทานาว่าฉไนท่านพระอุทาจีจึงรับจีวรจากมือภิกษุณีเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิท่านพระอุทาจีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูล พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ